ครที่ภาวนาจิตมันไม่อยู่ภาวนายากจับยากดูยา ก, ยากให้จับความรู้สึกรู้สึกตรงไหนจับตรงนั้นรู้สึกตรงไหนจับตรงนั้นรู้สึกตรงไห น, นจับตรงนั้น พูดโถพูดโธพูดโถมันไม่อยู่เดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวไปนั่ น, นจับความรู้สึกดูออกไหมความรู้สึกของเราดูออกไหมความรู้สึกนั่นแหละคือตัวเวทนาแหละถ้าเราไม่ทันมันมันจะพลิกไปเป็นยินดีมันจะพลิกไปเป็นยินร้าย ยินดีมันก็ดึงไปแล้วทุรุทุรุทุรทรไปแล้วยินร้ายมันก็ดึงไปแล้วทุรุทูรุทุรุทรไปแล้วรู้สึกตัวไหนจับในระหว่างที่เราจับเราก็สังเกตเดี๋ยวมันปล่อยอีกจับอีกมันขยับตัวอีกจับอีกขยับตัวอีกจับอีกสติของเราก็จะตื่น ความเพียรของเราก็จะถีดจิตของเราก็จะเริ่มสว่างจิตของเราจะเริ่มอยู่ดัดมันตรงนี้แหละตรงนี้แหละตัวที่เราไม่ทันมันอยู่ตรงนี้แหละย้ำจับให้ทันฝึกซ้อมอยู่ตรงนี้แหละแบบฝึกหัดอยู่แค่นี้แหละจับตรงนี้แหละย้ำจับให้มันอยู่จับให้มันทัน รู้สึกตัวไหนจับรู้สึก ต, ตัวไหนจับเดี๋ยวได้จิตอยู่จิตสงบจิตอะไรแล้วเราก็พิจารณาอะไรอย่างอื่นเราก็พิจารณาไปแต่พิจารณาอะไรก็ตามมันไม่เลยเกินไปกับความรู้สึกถ้ามันไปได้วยดีจิตพิจารณาราบรื่นไปดีเราก็พิจารณาไปพิจารณาไปแล้วก็ตกซ้ายพิจารณาไปแล้วแล้วก็ตกขวาจับความรู้สึกนี้ จะทำให้รู้ว่าความรู้สึกของเราเปลี่ยนไปเดี่ยวเปลี่ยนไปเดี่ยวเปลี่ยนไปเดี่ยวเปลี่ยนไ ป, นไปความรู้สึกกับสติกับปัญญาที่กาลังจดจ่ออยู่นั้นเนะ่มันจะค่อยๆเริ่มรู้เริ่มรู้เท่าเริ่ม ร, รู้ทันเรามาเล่นกันอยู่ตรงนี้แหละตัณหามันคอยฉวยโอกาสตรงนี้แหละ ไอ้ตรงที่เรารู้ไม่ทันมันนั่นะเรารู้ไม่ทันมันกช่วยไปแล้วยินดีไปแล้วมันรู้มันเรารู้ไม่ทันมันก็ช่วยไปแล้วยินร้ายไปแล้วความรู้สึกตัวนี้แหละมันจะเปลี่ยนไปเป็นยินดีมันจะเกิดความรู้สึก เป็นเหตุให้พอใจมันจะเกิดความรู้สึกเป็นเหตุให้ไม่พอใจหนึ่งยินดีสองยินร้ายยินดีก็คือเกิดราคะเกิดความกำหนัดเกิดความยินดียินร้ายก็คือโท้อสักความหงุดหงิดปฏิฆะตัณหาปฏิฆะมันก็ตามมาถ้าเราปล่อยจิตเราไปจนชินจน เป็นอายจินกลายเป็นนิสัยกลายเป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในหัวใจพองเรามันจะแข็งกระด้างมันจะแข็งเกร้าไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแข็งกร้าวทั้งๆที่เราคิดว่าเราภาวนานี่แหละเอามันไม่อยู่จับรู้สึกตรงไห น, นจับตรงนั้นอ่ะสมมติเรานั่งมาชั่วโมงชั่วโมงกว่าปวดจับไอตรงที่มันปวดอะไรรุนแรงตรงไหนจับตรงนั้นรุนแรงตรงนั้นจับตรงนั้น ไม่ให้มันเกิดกิริยาโตอตอบไม่ให้มันเกิดปฏิกิริยาตอบโต้กับความรู้สึกรู้กำหนดจดจ่อแล้ววารู้กำหนดจดจ่อแล้ววางรู้กำหนดจดจ่อแล้ววางวางเฉยแต่สติปัญญาทำงานอยู่จอ่ออยู่กำหนดพิจารณาอยู่ตรงนี้เราได้ทั้งสมถะ เราได้ทั้งวิปัสสนาอยู่ในขณะเดียวกันจิตของเราจะเริ่มอยู่จิตของเราจะเริ่มสงบจิตของเราจะเริ่มละเอียดเริ่มใสเริ่มสว่างเอาไว้ทันตรงนี้นะไม่ใช่เรานั่งนับเอาเวลานาทีเฉ ย, ยๆนะไม่เกิดประโยชน์เลยนะเพราะเวลามีคุณค่ามากย้ำจับให้ได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งที่เรามานั่งให้มันได้ประโยชน์ คุณค่าของความสงบของใจคุณค่าของการพิจารณาทั้หมดจดจอ่อด้วยสติด้วยสัมผัญญนันทรมีอันนี้ส์เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดทานธรรมดาก็ไม่เท่าวิหารทานก็ไม่เทับดูแต่ท่านพูดถึงทานกับพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระเป็นประธานทานกับภิกษุณีสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นประธา น, า น, ธธา น, น, านในยุคนั้นในสมัยนั้น ก็ยังสู้วิหารทานไม่ได้สร้างพุฏิสร้างเ ส, สียนาสนะเอาไว้เป็นทานยังสู้ไม่ได้การที่เรามีความเยื่อมใสศรัทธานในคุณของพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์อันนี้เยี่ยมกว่าวิหารทานการที่เราขยับมากํากับจิตของเราให้อยู่ในองของศีลศีลห้าก็ตามศีลแปดก็ตามมี น, นิสงเยี่ยมกว่าทำความเยื่มใ ส, ส่ศรัทธาเฉย เรามาเจริญความสงบให้กับใจของเราแค่เราเอาบทพิจารณาเมตตาเอาเมตตากําหนดจดจ่อก็มาที่จิตของเราพิจารณาถึงจิตของเร า, พ, า, ร า, เราพิจารณาถึงจิตของสัตวพพสัตส ต, ต์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็แผ่เมตตาเข้าไปจิตของเราสงบเยือกเย็นอานิสงยิ่งกว่าการรักษาสีเพื้อ น, น, นธรรมดา แต่การที่เรามีสติกันหนดจดจ่อพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญา น, นี้มันได้ทั้งสมสถะได้ทั้งวิปัสนาอานิสงเยี่ยมที่สุดเราเลือกเอาวิธีนี้ระดับความเหนือของเราเราเดินเหนือระดับชั้นทั้งหมดพยายามตั้งใจทําเอาพยายามตั้งใจเลือกเอาถือเอาประพฤติเอาปฏิบัติเอาอย่าไปขยับอยู่แต่ภูมิใจอยู่แค่ให้ทานภูมิใจอยู่แค่ให้ทาน ภูมิใจอยู่แค่รักษาศินก็ถูกแล้วแต่ละแต่ละขั้นแต่ละขั้นมันก็มีอันนี้สองเท่าเท่าลําดับขั้นของบันไดนั่นแหละขยับเข้ามาเริ่มใช้ศรัทธาจิตใจปลื้มปีติยินดีเบิบอิม่มยับเข้ามารักษาศินขยับเข้ามาแผ่เมตตาให้ใจได้รับความสงบความสงบด้วยการแผ่เมตตามันก็เป็นสมมติฐานปัญหามันแทรกที่จิตของเราไม่ได้ ยิงเรามาใช้สติใช้สัมผััญญากำหนดจดจ่อพิจารณาเพื่อให้รู้ให้รู้เท่าทันที่เกิดของตัณหาที่ดับของตัณหาที่เกิดของตัณหาที่ตั้งอยู่ของตัณหาที่ดับของตัณหารู้เท่าทันความปรุงแต่งของจิตของเราไม่จิตของเรามันดื้อมันดิ้นมันดีดดิ้นคิดปรุงไปทั่วที่ทั่วแดน อันนี้ถือว่ามีอา น, นิสงส์งเยี่ยมเพราะมาซักมาฟอกมาขัดมาก่าวกันตรงนี้แหละจนกว่าปัญญาของเราจะเริ่มซักฟอกตัวเองละเอียดก็ไปละเอียดก็ไปละเอียดก็ไปละเอียด้าไปแต่ดอกออกผลไปเป็นปัญญาเป็นปัญญาญาณเป็นวิปัสนาญาณพิจารณาไปเรื่อยรู้เห็นไปเรื่อยพิจารณาเพื่อรู้เห็นไปเรื่อยรู้เห็นอะไรรู้เห็นของจริง ยะถาภูตตญาณทัศนะรู้เห็นตามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงนี่คือเป้าประสงค์ในการที่เราตั้งใจภาวนาอย่าสักต่ว่านั่งเฉยๆวิธีนี้เราจับได้เราพิจารณาได้ขอเราใช้ความภาคความเพียรกำหนดจดจอให้ต่อเนื่องเขาไปทําอยู่อย่างนี้แหละ เราต้องการจะอยู่กับลมเราก็ต้องการมาอยู่เพราะเวลาจิตมันอยู่แล้วเราดึงไปใส่อะรมันก็อยู่หมดดึงไปใส่พุโทโธพุโทโธมก็อยู่ดึงไปใส่ลมลมเข้าพุทลมออกโทมันก็อยู่ร่อยู่นั่นแหละแล้วก็สับเปลี่ยนวิธีการานี้แหละไม่ทิ้งพุโทโธไม่ทิ้งลมไม่ทิ้งสติกำหนดจดจอ่อจับ ความรู้สึกแต่ละขณะแต่ละขณะที่จิตมันทำงานเนี่ยมันจะอยู่กับอะไรมันก็อยู่กับความรู้สึกนั่นเองจิตเป็นธรรมชาติที่รู้รู้อารมณ์เกิดขึ้นจากผัสสะ ต, ตากระทบรูปหูกระทบเสียงที่สำคัญที่สุดก็คือสัญญาอารมณ์ที่ตกขึ้นตกผลึกเข้าไปที่จิตของเรานี่นยแหละ คือสัญญาอารมณ์จิตมันอยู่กับสัญญาอารมณ์สัญญาเาราก็คืออะไรก็คือความรู้สึกนั่นเองจับไปตรงที่ความรู้สึกอย่างที่เคยบอกนั่นแหละขยับปั๊บจับขยับปั๊บจับู้วยละเอียดให้ทันเข้าไปขยับจับขยับจับขยับจับแน่มันสู้ไม่ได้สัขงขารที่มันคอยปรุง พอที่จะทำให้เราหลงลืมแล้วสัญญามาสวมรอยตัณหามาสวมรอยของสัญญาอีกทีหนึ่งที่จะคอยดึงจิตของเราเอาไปใช้เนี่ยเราก็รู้เราก็ทันมันขยับอยู่ตรงนี้ฝึกซ้อมอยู่ตรงนี้แหละความรู้ความเข้าใจของจิตของเราก็าจะแกะไปเรื่อยแกะไปเรื่อยแกะร่าเข้าไปเรื่อยเข้าใจเข้าไปเรื่อยยาสักแต่ว่านั่งเฉยๆนะถึงเวลาก็เข้ามานั่งเฉยๆ หมดเวลาไปกลับไปให้มันเกิดความรู้สึกเสียดลงเสียดายอารมณ์ที่เรารักษาได้ทั้งอกตั้งใจภาวนาทั้งคืนน่ะภาว น, นาทั้งคืนเลยยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งนอนก็นอนภาวนาอย่างนั้นอ่ะเผลอหลับนี่ไปตื่นขึ้นมาลุกผับขึ้นมาภาวนาอีกเอาทั้งคืนทั้งอกตั้งใจฝึกฝน ขนาดนี้ผลรายได้านจะไปไหนอยากักแต่ว่าทำนะเสียดายเวลาสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดก็คือความสงบของจิตความฉลาดของจิตความสงบช่วยหนุนทำให้เราฉลาดคือปัญญาสมาธิหนุนปัญญาในในขณะที่เราเจริญสมาธินั่นแหละ เพื่อเกิดปัญญานั่นแหละความอดความทนบิรยิยอุตสาหะความภาคความเพียรความมุ่งมั่นความเด็ดเดี่ยวความอะไรต่ออะไรมันอยู่รวมอยู่ในนั้นทั้งหมดยามตะล่อมเข้ามาแล้วดูให้มันออกว่าคุณทมเหล่านี้มีพร้อมอยู่กับเนื้อกับตัวของเราให้มีสัตว์มีสื่อกับจิตทุกตัวเองตั้งใจทำ พยายามสอดรู้สอดเห็นเห็นเป็นเรื่องจริงเรื่องจังเป็นเรื่องเห็นเป็นเรื่องสำคัญอย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยนะวันนั้นก็ล่วงไปวันนี้ก็ล่วงไปวันนั้นก็ล่วงไปเท่าเดิมวันนี้ก็ล่วงไปก็เท่าเดิมอะไรบ้างมันเจินในหัวใจของเราดูดูเข้าไปให้มันมีสิ่งที่เจริญหลงเหลืออยู่ในหัวใจของเรานั่นแหละคือคุณค่าที่เราบินทบาทขอบฉัน บริโภคปัจจัยสีของชาวบ้านเนี่ยมีผลมีอนิสงเราตั้งออกตั้งใจประพฤติธรรมรักษาพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์มีผลมีอานิสงอย่างนี้ให้ตั้งออกตั้งใจทำนะตัวไราการตัวเดียวนี่แหละที่มันเล่นงานเราเนี่ สุทัสมุทยัยทุกขสมุทยัยเหตุเกิดทุกข์รูปธรรมเป็นทุกข์นามธรรมเป็นทุกข์เป็นตัวผล <c oughs> ทุกขสมุทัยเป็นผลรูป เป็นตัวทุกข์น้าเป็นตัวทุกข์เป็นผลก็ขึ้นมาจากเหตุเหมือนผลไม้ที่มันเกิดขึ้นในต้นเรามองเห็นแต่ผลไม้เราเรียกผลไม้ผลไม้มันตั้งอยู่บนเหตุนะ เป็นเปลือกเป็นกระพี้เป็นแก่นเป็นต้นเป็นก้านเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นใบเป็นดอกผลให้มันมาจนดอกมันติดอยู่ที่ขั้วผลมาติดอยู่ที่ขั้วถ้าเรามองมาที่ร่างกายของเราเหมือนกับผลมะม่วงเป็นตัวผล มันไม่ต่างอะไรกันเลยเราดูมาเราเห็นแต่ผลผลมม่วงผลมะม่วงผลมะม่วงเราลืมไปแล้วลืมดูไปที่อื่นเราดูมาที่ตัวเราโอ้ตัวเราตัวเราตัวเราเราลืมดูเหตุตัวเราตัวเรา อ, อย่าลืมว่าตัวเราคือก้อนทุกข์ ตัวเราคือกองทุกทุกอะไรบ้างก็ดูไปสิ้นตัวเราอัตภาพร่างกายของเราคือตัวทุกใจเราคือตัวทุกใจคือผู้นึกผู้คิดอันนี้คือตัวทุกทุกเพราะอะไรเพราะมันแบกหามเต็มแพร่อยู่ในนั้นเรารู้ระบบระบบของมันที่มันจะมาปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ในใจเรารู้ที่อะไรบ้างไอ้ที่เราสวดไปเี่นเนี่ย ธรรมะสิหมวดเนี่ยสิบหมวดนี้รวมทั้งโรครวทั้งนามตาอิจนาภายในหกอิจนาภายนอก6กิญญาณหกผัสสะ6กเวทนา6สัญญา6สัญเาธนา6ตัณหา6วิตตุกหวิจาร6 10หมวด16 60 นี่คือเหตุปัจจัยของรูปของนามเหตุปัจจัยทั้งหมดนี้รับเงาน้อามันแท้มาจากสมุทัยทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกขเหตุให้เกิดทุกขคืออะไรบ้างต า, มมาตันห้าภวะตันห้าวิภวะตันห้าดูไปอย่าดูนอกเหนือหหางไปรจักใจของเราย้อนไปดูใจของเรา ความอยากในใจ offering, REY, ของเราเนี่ยหะคือตัวตัณหาความอยากในใจของเราคือต so ัวตัณหาตัณหาเวลาจะเกิดเมื่อเกิดที่ตาเวลจะเกิดมันจะเกิดที่รูปมันจะเกิดก็เกิดเวลาตาไปกระทบรูปที่เรียกจะโขวิญญาเวลาจะเกิดก็กันตั้งในระหว่างที่มันเกิด มันทำหน้าที่รู้แจ้มทางตาด้วยมันทำหน้าที่สัมผัสด้วยที่จะเรียกว่าผั ส, สักด์ผัสศักในขณะเดียวกันเวทนาความรู้สึกก็รับเอาเหมือนอย่างที่เราพูดตั้งีย่เริ่มต้นน่ะให้เราจับความรู้สึกอันนี้เป็นที่ประชมของธรรมทั้งหลายทั้งปวงเวทนานี่ยนะ เป็นที่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นใจโรคเสียงทิรสดโพธิธรรมรมเป็นที่ประชุมให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกเรารูผลสืบช่วงจากเวทนาต่า ยินดีในเว na, เ ana, นทนาโกคเวทนาตัณหาเกาะแล้วยินร้ายในทุกขเวทนาตัณหาเกาะแล้วตัณหาเกาะตัณหามันคอยสวมรอยมันเกิดมันก็เกิดที่ตาเกิดมันก็เกิดที่รูปมั น, มน ต, ตั้งอยู่มันก็ตั้งอยู่ที่ตามันตั้งอยู่มันก็ตั้งอยู่ที่รูปมันเกิดตรงนั้นมันตั้งอยู่ตรงนั้น นี่เราพูดถึงทุกขสมุทยัยเหตุเกิดขอามันน้ำมนันขยาย um, ระยองระยานเต็มไปหมดมันเกิดที่ต า, รยายเราไม่รู้เราก็ยึดเอาเกิดที่รูปเราไม่รู้เราก็ยึดรูปเกิดที่ตาเราไม่รู้เราก็ยึดตาเหตุปัจจั ย, ยของมันทั้งหมดนี่แหละคือเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดทุกขสมุทยัยอย่าลืมว่าทุกขสมุทัยตัวใหม่นะทุกขสมุทัยตัวใหม่ ไอ้ตัวก่ามันส่งรามาข้ามเพราะข้ามชาติมาแล้วตัวเก่านั่นนะ่ะแต่เวลาเราจะมาจัดการเราจะมันต้องมาจัดการกับของใหม่กับตัวใหม่เนี่ยเราห้ามไม่ให้มันเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันด้วยกันด้วยการสรังปองด้วยการสรัมรูด้วยการระวังให้จิตอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธมันเกิไไดไหมนะ เพราะเวลามันจะเกิดก็เกิดที่ใจในเมื่อเราเอาใจเพราะเรามาทำงานเสียแล้วมันไม่มีที่เกิดแต่ถ้าเราเริ่มทิ้งงานเริ่มปล่อยงานมันก็ได้ชอ่องพอได้ชอ่องปั๊บมันก็สูงรอยปั๊บมันเอาไปใช้แล้วนะในเมื่อเจ้าของมันขี้เกียดใช้งานยืมไปใช้สักทีตันหามันยืนเข้าไปแล้วแท้ที่จริงเป็นสมบัติร่มมัน ตันหามาส่งเราข้ามพบข้ามชาติมาแล้วนี่ตันหาที่จะเพิ่งเกิด น, นี่คือตันหาใหม่ถ้าเรายินดีกับตันหาใหม่ตันหาเก่ามีอยู่เท่าไหร่เรายินดีเพิ่มเข้าไปอีกเท่าไหร่เป็นผลให้มันเป็นร้อยเท่าพันธวีบวกเข้าไปบวกเข้าไปบวกเข้าไปบวกไ ป, กไ ป, กไ ป, กไปท่านจึงว่าน้นําในมหาสมุทร ยังน้อยกว่าตัณหาในหัวใจของเราไปยืนดูน้ำในมหาสมุทรมากมายมหาศาลแต่ใจของเราตัณหาในใจของเรามากกว่านั้นอีกไปดูสิบริาสสจาคมสงตามอะไรนาทีตัณหาสมานาทีอ้มันแย่มากมายขนาดนั้นเลยเพราะเราเกิดมามไม่รู้คนละกี่กับเกิดมาไม่รู้คนละกี่อสงไขยมาแล้วนี่นะแต่ละท่านแต่ละท่านนี่ กิดมากี่กับคการเกียรสงไขมาแล้วเนี่ยน้ําในมหาสมุทรน้อยไปตันหามากกว่าน้ําในมหาสมุทรนาทิตันหาสมาหนึ่งนาทีแม่น้ําเสมอโดยตันหาไม่มีดูดูอันเปรียบเทียบที่คุณทิชาช้อนเปรียบเทียบอะไรเพรา ะ, ะไหนเพราะเราไม่รู้จักไหน บางชาติเราเกิดมาเราไม่ได้ยินแบบคำบอกคําสอนเออมันก็สะสมข้อมันมาเป็นกลับกับยินดีกัยินดีอยู่นั่นไปยึดก็้มาอยู่นั่นไปยินร้ายกับยินร้ายอยู่นั้นไปยึดอยู่นั่นไปยินดียินร้ายคือผลผลของตัณหาอย่าลืมจึงเป็นเหตุให้เรามีพบมีชาติตามนั้นเดิมเกิดที่ใจ มันสิงสถิตเพาสิ่งสถิตอยูที่ใจเข้าใจเป็นเป็นคนผลิตให้เกิดขึ้นมาใจเป็นตัวเก็บตันหาเหล่านี้ไว้พอตันหาตันสมมติตันหาใหม่มันเปิดปั๊บอุปาทานไปยึดเอาโดยอัตโนมัติอุปาทานมันยึดเอาโดยอัตโนมัติพพก็เกิดโดยอัตโนมัติชาติเกิดโดยอัตโนมัติเราไปเกิดในภพไหนภูมิไหนคนจะได้ภพไหนภูมิไห น, ไหนแล้วก็ไปเกิด ก็เกิดเกิดที ar, ่ไหนก็แก่เจ็บตายไปเกิดพบภูม so, like ิไหนแก่เจ็บตายเกิดพบภูมิไหนก็แก่เจ็บตายเป็นคนเป็นสัตว์แก่เจ็บตายสบายหน่อยเทวดาพอหมดอายุไขก็จุติตึ๊บหายเงียบไปเลยไม่ทิ้งร่องรอยไม่ทิ้งซากศพเอาไว้เทวดาเวลาไปบวชก็ไปบวชปุ๊บพระโอปปปาทิกะผุขึ้นเพรอหมดอายุไขดับปุ๊บ เราไป ไ, ไม่มีไม่ต้องเดือดศกให้ใครเผาเลไม่ต้องนี่คือนี่คือนี่คือเทวดาก็คือตายนั่แหละเกิดปุ๊บโรบปฏิกับดับปุ๊บก็คือตายเกิดตายเกิดตายเกิดตัญหาด้วยเหตุที่เราปล่อยจิตมาแทรกปัญหามาแทรกมาที่จิต พานทามยึดเอายึดเอายึดเอายึดเอายึดเอาพวกเราเกี่ยวข้องกับมันมากี่กี่อสองไขยแล้วคนเราเป็นร้อยร้อยอสองไข่มาแล้วพระพุทธเจ้าอุบัติมากกว่ า, มาเมล็ดทายในแม่น้ํำคงคาพวกเราไปค้ากันอยู่ที่ไหนกันม่รู้ที่พบไหนภูมิไหนกันม่รู้ไม่เคยเจอสักคนนึงจึงมาตกข้างหลงเหนืออยู่ในโลกีต้องมองเต็มแมงอยู่ ติดอยู่ในโลกค้างอยู่ในโลกแบกกองทุกอยู่ในโลกทุกหรือไม่ทุกดูสิทุกกับอะไรบ้างดูเข้าไปสิทุกกับตัวเราแล้วไม่พอทุกแบกคนนู้นทุกแบกคนนี้รับผิดชอบห้าคนทุกห้ากองแบกบไปห้ากองทุกคนตัดแบกบถึงมันอ่ พ่อกับแม่สองคนลูกอีกสามคนเป็นห้าพ่อก็ต้องแบกทุกห้ากองตัวตัวเราด้วยตัวเองด้วยแม่ก็ต้องแบกทุกห้ากองลูกหญิงลูกชายงอปีกลางท้ายสามคนต่างคนต่างแบกกองทุกแก่กันด้วยกันมันมีความผูกพันกันมันหงยายกันแบกบกองทุกเพราแม่ เจ็บป่วยเรากรทุกลูกเจ็บป่วยพ่อแม่กระทุกอแม่เจ็บป่วยลูกกระทุกพ่อกระทุกพ่อเจ็บป่วยแม่กระทุกลูกกระทุกลูกคนที่เจ็บป่วยพ่อกระทุกแม่กระทุกไอ้ลูกไอ้น้องคนรองรลงไปกระทุกมีเท่าไหร่แบบเท่านั้นก่อนนอกจากนั้นแล้วมีปู่มีย่า มีคนที่เรารับผิดชอบมีเพื่อนมีฝูงฝูมีครูบาอาจารย์เป็นที่เคารพสักการะคนนั้นเจ็บคนนั้นปวดคนนั้นป่วยคนนั้นไข้นี่คือกองทุกข์พระพุทธเจ้าท่านเบื่อละกอบทุกข์เหล่านี้จนตั้งปริธานขอได้บรรลุขอได้บรบรลุขอให้แหวว่ายพ้นไปจากทะเลกองทุกข์เหล่านี้ให้ได้ขอให้รู้ขอให้รู้ขอให้รู้ ต้องเสียสล ะ, ะเอาด้วยชีวิตก็ยอมคอยได้คอยได้คอยได้ไปพุทธเจ้านึ่เสียสล ะ, ะเพื่อความตัสรุปเป็นพุท ธ, ธานเนี่ยชีวิตเนี่ยไม่มีคุณค่าเลยเสียสละคอยได้คอยได้นะทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตบา ร, ารมาีรเรารูไปสิสินสินเพื่นธรรมดา สินอย่างกลางกลางสินอย่างจิ้งยดุดขาดบินนิดเดียวก็ไม่ได้ทานสินเนธธรรมะออกบวชแบบสบายๆออกบวชแบบกลางกลางออกออกบวชแบบคร่ำเคร่งกับข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงปัญญาปัญญาพื้นๆปัญญาได้ยินได้ฟังปัญญากลางๆลาเอาไปนึกเอาไปคิดเอาไปไข่ไปครวญปัญญาที่ตั้งใจภาวนาประสบพบเห็น ผลด้วยตัวตวเองภาวนาะมยปัญญาปัญญาปัญญามรรคีท่นสินในธรรมะปัญญ า, า, นนญญาวิริยาเพียนทำๆสบา ย, บายมีเวลาหยุดพักหายใจเพียนพอกางกลางเพียนเอาเร่งทุกขณะจิตนาวิทยาขันติความอดความทนจัดจดอธิษฐานเมตตาอุเบกขา บารมีทั้งสิบรวมไปแล้วเป็นอย่างละสามสามเป็นสามสิบสามสิบทักเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าแต่วพวกเราสามพวกเราไม่ต้องบำเพ็ญให้เต็มเปี่ยมทั้งหมดเหมือนพระองค์นะแต่ถ้าใครบำเพ็ญมาแล้วยิ่งมาแล้วก็จะทําให้เราสะดวกสบายในการที่เราจะมาเดินทางตามร่องรอยของพระองค์จะทําให้การตั้งใจปฏิบัติธรรมนี่เป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย เราทํามามากไม่เท่ากัน น, อน้อยไม่เท่ากันนี่เองเราจึงได้เปรียบกันเราจึงเสียเปรียบกันอยู่นี่แหละขึ้นอยู่กับอะไรกับขึ้นอยู่กับการสั่งสมโภชลมสิ่งเหล่านี้เป็นไปเพื่ออะไรเป็นเพื่อเข็ดเพื่อหลาไหมกองทุกกองทุกเวลามันทับถมหัวใจเรามันน่าเข็ดหน้าหลาไหมเราจะไปดั่งพึงดั่งพันไปทนทุกข์ทรมานอยู่อะไรกับความทุกข์ในปัจจุบัน ความทุกข์เหล่านี้มันทับถมเรามาเป็น ก, ก, กี่กับกี่การกีปุเรชาห์มาแล้วกี่อสงไขยกับกันมาแล้วทุกบางอย่างโอ้ร้องงงร้องให้เลือดตาแทบกระเด็นร้องให้เอาอะไรก็ไม่รู้ร้องให้ใหามันหายทุกไม่มีก็ทะเลกองทุก์ร้องให้ไปไหนจะพ้กองทุกข์เหล่านี้ทําไมมัจะพ้น ค้นได้วิธีเดียวหันหน้าจ่อต่อสโซ่กำมาันนะดูที่ไปที่มาเส้นสายที่ตันหามันเกิดขึ้นในปัจจุบันเราศึกษาตันหาปัจจุบันมันเป็นการสะท้อนไปถึงรากเหง้าของตันหาดั้งเดิมที่เราแบกมาตีกับการบูเรชาติมันสะท้อนกลับเข้าไปหมดเราศึกษาตันหาในปัจจุบันเมันสะท้อนกลับไปหมด เราสงบระงับดับตัณหาในปัจจุบันได้ตัณหาไม่เพิ่มตัณหาใหม่ไม่ไปเพิ่มแต่ตัณหาเก่ามีเท่าไหร่มันก็เริ่มเดือดร้อนแล้วมันเริ่มเดือดร้อนมันยังเกอมันยังติดอยู่ตามโูปอยู่ตามเวทนาตามสัญญาตามสังขารตามปิญญาท่านจึงให้ไปพิจารณา เจอสมถาะได้รับความสงบแล้วเจอสติดิบดีแล้วแม้แต่เรากำหนดจดจอความรู้สึกที่เราเราก็เวทนาเวทนาน่ยคือความรู้สึกทันตัญหาทุกระยะจิตมันสงบตัญหาแทรกเข้ามาไม่ได้จิตของเรามีกําลังจิตของเรามีพลังย้อนไปพิจารณาร่างกายเดี๋ยวนี้เราหลงกายเราติดกายกายที่เป็นรูประทับ เวทนาสัญญาสัญขานวิญญาณเป็นนามธรรมนามธรรมนทที่เป็นอาการที่เกิดมากับจิตเป็นกิริยาอาการของจิตมันมีอนุภาพมากมันมีอนุภาพมากนามธรรมทั้งสี่นั้มีอนุภาพมากแต่ถ้เมื่อเราสงบระงับไม่ให้ตัณหามันแทรกเข้ามามันทำงานแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ย มันถึงกันหมดนะถ้าเราไม่แยกเหมือนกับปั้นเราเนี่ยเรากรรมเป็นกรรมปั้นเนี่ยมันเป็นก้อนเดียวเป็นแท่งเดียวมันทํางานแต่ละครั้งเหมือนกับปั้นเหมือนก้อนเดียวแต่ถ้าเราจะแยกโอ้ส่วนนี้เป็นรูปส่วนนี้เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เวลาทํางานเนี่ยมันอยู่ในวงจรนี้ทั้งหมดเราดูไปสิเพราะฉะนั้นเอาใจดวงเดียวอย่างอื่นสงบระงับได้หมด แต่ดยเหตุที่ตัณหาก่ามันหลงค้ามันเกาะรูปท่านจึงให้มาพิจรารณารูปทงความเบื่อหน่ายในรูปเพราะย่างประตูแรกที่เราจะพึงทะลุทะลวงไปได้ที่จะเข้าไปสู่กระแสของธรรมเราจึงเข้าใจการยึดถือกายเราเข้าใจผิดเราห ล, ลงผิดยึดกายถือกายสัำคัญมันหมายในกายกายเรากายของของเรา พเราเริ่มทำความรู้จักกับกายเราเข้ามารูเข้ามาเห็นเหตุปัจจัยของกายเห็นความโง่ของเราที่เราไปยึดกายความยึดมั่นถือมั่นในกายมาันก็ผ่อนคลายลงที่เรียกว่าลักสักกายาทิดถิรักสักกายอาทิตถิได้ความยึดถือกาย สำคัญมั่นหมายว่ากายเป็นเราเราเป็นกายอันนี้เวลามันเกิดขึ้นเราจับมันได้ไหมเวลาอาสมิมานะมันเกิดขึ้นในกายมานะความถือเนื้อถือตัวเวลามันโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราหยุดถือว่าเราว่าเราว่าเร า, า เ, ราา เ, ราเราดีเราเก่งเรามีเรี่ยวมีมีเรี่ยวมีแรงเราคิดดีคเดเรี ย, เ ร, ย, เ, รยเราสวยเรางามเรามียศมีเกียรติมีสักมีสี เรารวยเราจนเราอะไรจะได้สารพัดเวลามันเกิดขึ้นมาเราจับได้ไหมนั่นแหละคือกิริยาความยึดมั่นยึดมั่นถือมั่นของมันเรามีสติมีสัมผััญญากรรมนนจดจอรู้เท่าทันมันหมดมันพผล่ขึ้นมาไม่ได้แต่ต้องนับปฏิบัติทัศนนะถึงจะทันมนนะอย่าไปคิดว่าจะไปทันมันง่ายๆนะขัดสีขัดกลาวกันอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าจะรู้เรื่องรู้ราวจนกว่าจะ <buch> เห็นหน้าเห็นตาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยก็เหมือนอย่างที่เ่าให้ฟังอย่างนีอ้อันที่สอก็ให้ทานแม้แต่ให้กับพระพุทธเจา้าให้กับพระสงฆ์มีพระพุทธเจา้าเป็นประมุขให้กับพระภิกษุสงฆ์สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่าเทศเอาไว้แม้แต่ให้กับภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจา้าเป็นประมุขเป็นประธาน อั น, นี้สงของฐานนั้นยังได้กว่าวิหารทานวิหารทานนั่คืออะไรคือที่อยู่เสนาสนาที่เรามาอยู่บางเพนนี้แหละนี่เรียกว่าวิหารทานอั น, นี้สงของวัดถุฐานเน่ยสูงกว่าสูงกว่าทานน้นทานนี้ทานอะไรสารพัดทานขนมนมเนยฐานกับข้าวทานสารพอันใสงวิหารทานสูงกว่าเนเพราะอะไรอะ เพราะคนเข้าได้เข้าไปพึ่งพาอาศัยหลบแดดหลบร้อนหลบฝนหลบเลือหลบยุงหลบสัตว์ ร, ร้ายเป็นที่หลับเป็นที่นอนเป็นที่บำเพ็ญคนไม่มีศีลตั้งใจบาเพ็ญรักษาศีลคนไม่มีสมาธิตั้งใจบำเพ็ญนั่งสมาธิคนไม่มีปัญญานั่งภาวนาบนติบนร้านบนอะไรที่เราทำนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดปัญญา นี่แหละคืออนิสงส์แต่ว่าการทําความเลื่อมใสในคุณของพระพุตรเจ้าสูงกว่าอานิสงส์ของวิหารธานอีกเพราะมันเป็นเหตุจูงไปให้เราได้รักษาศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาเป็นเหตุให้เราเลื่อมใสศรัทธาศึกษาข้ออัดข้อธรรมของพระพุตรเจ้าเห็นพระองค์มีความบริสุทธิ์ด้วยคุิขิตตัณหา เราก็อยากบริสุทธิ์เหมือนพระองค์พระองค์ได้พระองค์มีพระองเป็นเราก็อยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนพระองค์นี่มันเป็นเหตุจุดประกายกับต้นเตือนเพราะฉะนั้นอันนี้โสก็อยากสูงขึ้นมาอีกฮียอยากสูงขึ้นมาอีกจากความเลื่อมใสมายังสู้ศีลไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลให้สะอาดแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อให้ถือศีลห้ากับถือศีลครั้งศีลห้ให้บริสุทธิ์ไปใครถือศีลแปถือศีลแปบริสุทธิ์ไป สิ้นสบสิ้สอร้อยเยอะพยายามถือบริสุทธิ์เข้าไปยังสู้สิ้นไม่ได้สี้นมันเป็นมันในขั้นสูงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอี ก, อกอจากนั้นแล้วสมาจากนั้นแล้วสมาธิแผ่เมตตาก็เป็นเหตุและกิจในเรับ ค, ความสง บ, บ, บ, บสนับทำให้จิตใจของเราอ่อนนุ่มทําให้จิตใจของเราสงบละ อ, อียอ่อนนุ่มมีเมตตามีคุณาต่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นใจที่เปิดกว้าง เป็นเหตหจิตของคนทนนั้นเนี่ยมีสมถะมีสมาธิแน่สูงขึ้นไปกับการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมการที่เราตั้งใจกำหนดจดจอ่อพิจารณาด้วยสติด้วยหมหาสติกำหนดจดจอ่อเหมือนอย่งางพวกเราจับความรู้สึกทั้งหลายทั้งปวงที่จะเพิ่งเกิดขึ้นในหัวใจเพื่อไม่ให้ตัณหาแทรกเข้า ม, มามีอนิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าทุกอยามที่เราไล่ไปมาถ้าเป็นบันไดก็บันไดยอยู่ขั้นที่สูงที่สุด สูงขึ้นไปอีกเป็นเหตุให้เราได้ัดได้ทำได้มรดได้ผลได้ยาณทัศนะได้ยิมุติได้รุด่ได้พ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะฉะนั้นการที่เรามาตั้งใจภาวนานั้นภาวนามันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอย่าทำเล่นให้ตาบุกตั้งใจทํำเราไปอยู่โดดเดียวตามลำทังที่บุตรเราคิดถึงตรงนี้ เป็นเหตุกระตุ้นเตือนทําให้เราไม่ประมาทเสียดายไปลำเวลาไม่ไปมัวแต่นั่งเล่นคุยเล่นเสียไปลาเวลาเอาเนังสือข้ออัดข้อธรรมมาดูก็ยังดีกันหมดจอๆเรหายใจเข้าเราหายใจออกเจริญสติอยู่กับยืนกับเดินกับนั่งกับนอนกับอะไรทอะไรมีผล ม, ม, ม, มีอย่างมีสมยาประมาทอย่ามักง่ายอย่ามองข้ามเด็ดขาด อันนี้เป็นคุณสมบัติที่พวกเรามาอยู่บนเส้นทางตรงนี้เราอยู่บนเส้นทางอรรมมันน่งมีมมอุปเที่พระเจ้าสอนเอาไว้แอนน้ที่เราทําเราพูดเราบอกเราเจกแจงกันนี่มันครอบวงจรหมดทุกอย่างเหลืออย่างเดียวเราไปทําให้สมบูรณ์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทุกท่านได้ยินได้ฟังเอาไปถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามจับตรงไหนที่มุนเด่นในหัวจับเราก็ย้ําจับ ภาวนาพุโทโธจิตมันไม่อยู่จิตมันไม่สงบจับความรู้สึกเลยจิตมันจะวิ่งรับความรู้สึกความรู้สึกตัวนี้ก็คือเวท น, นาเองถ้าเราไม่ไม่มีสติทันมันเปลี่ยนไปเป็นยินดีเป็นสุขเวทนามันเปลี่ยนไปเป็นยินร้ายมันเป็นทุกเวทนาแต่ถ้าเราทันยินดีเราก็ทราบ มันไม่ซึมผสมหายใจยินร้ายเราก็ทราบมันไม่ซึมผสมหายใจมันยินดีมันก็จบแค่นั้นมันยินร้ายราก็จบแค่นั้นหรือบางทีเราเห็นก็เฉยเฉยเราก็จบแค่นั้นตั้หาแทรกเข้ามาไม่ได้นี่คือผลอันนิสงโดยตรงที่เราได้รับจังๆสดๆร้อนๆในหัวใจของเราก็เหมือนอย่างที่เราตั้งแต่เราหน้ามาหนชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงเศษเนี่ย เราสงบระงับได้สองชั่วโมงไม่ใช่ธรรมดานมันเป็นการไปอัดตั้หานหัวใจของเราโอ้มันปี้ไปเท่าไแล้วล่ะโอมันขิดมันลาไปเท่าไรเราชักอยู่ยากเราชักอยู่ยากเราชักเราร้อนมันถูกตปะปัดทำแผลเผามันเนยอะไรตปะปัดทำคืออะไรสติธรรมสมชัญยักธรรมปัญญาธรรมความอดความทนวิริยะอุตสาหะความธาตความเพียรความขมวดจดจอ่อนี่ตปะปัดธรรม ใครจะมีตะบัดทำที่มีความร้อนรุนแรงแผดเผาให้มันเร่าร้อนในมันแต่โรคแต่แม่อยู่ในหัวใจตั้งอกตั้งใจทำเอาจิตเริ่มสงบจิตมีความสงบจิตมีความสงบจิตมีความผ่องใสจิตมีสติมีปัญญาแพรว่าเมื่อแล้วอู้มันสว่างสวายในหัวใจของเรามันจะเอาอะไรมามีความ อิมพีติสุขยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้ตัง้งอกตั้งใจทําวันนี้อเอาแค่นี้